บุริวิเทศประธานสมัชชาสมไทยในสหรัฐอเมริกาท่านอารองประธานสมัชชาคณะกรรมการทุกครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของที่ก็คือท่านจาคุณพระมงคลรัตะนะวิเทศที่นับถือทุกท่าน ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนมีคุณหมอสกุลตันเสียงสมปยาวจกรเป็นต้นในโอกาสที่มาที่วัดมงคลรัตนารามซึ่งมีการฉลอง สามสิบห้าปีและก็เป็นเจ้าภาพในเรื่องของสถานที่ในการจัดประชุมสมัชชาสงไทยในสหรัฐเอเมริกาเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเราที่ทำงานอยู่ในฐานะพระธรรมทูต ท, ทั้งในประเทศนี้และจากสาภาพ ส่งในยุโรปและอื่นๆรวมทั้งในประเทศไทยและจากหลายๆแห่งมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมใหญ่ทุกปีก็ขอมีส่วนร่วมในช่วงท้ายนี้ก็คือว่าจากที่ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชามา สม่ำเสมอก็ว่าได้ครั้งแรกนั้นในสมัยการประชุมครบรอบปีที่สิที่ผมได้ร่วมประชุมมามาบัดนี้ก็ปีที่ส1บอ็ดก็คือส1สอปีเนี่ยมาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าได้รับรู้รับทราบได้เห็นพัฒนาการของ คณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดรวมถึงการรับรู้ของคณะสงฆ์ในประเทศไทยที่มีต่อ ง, งานนี้ผมขอเรียนอย่างนี้ว่าในฐานะที่เป็นปลาสองน้ำคือทั้งอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็มาแวดเวียนมาอยู่ที่นี่มาเทศมาสอนมาบรรยาย อะไรต่างๆเนี่ยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในการยอมรับบทบาทของพระธรรมทูตทั่วโลกเลยดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนพระคผู้ใหญ่นะครับผมไม่ไม่ได้หมายถึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี้ไกลไหนนะครับมักจะค่อนขอดว่า ไปเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศก็ได้แต่ไปรักษาศรัทธาของคนไทยพูดโดยความไม่เข้าใจนะครับและท่านก็ไม่เคยมาเป็นพระธรรมทูต ท, ท่านก็ไปคาดหวังบทบาทของพระธรรมทูตนั้นต้อง ออกไปยังศาสนิกของศาสนาอื่นเหมือนไปเปลี่ยนศาสนาเขาหรือไปดึงเขาเข้าหาศาสนาแค่บทบาทรักษาศรัทธาเนี่ยดูยังจะไม่พึงพอใจต่อมาเมื่อการรับรู้รับทราบ เกี่ยวกับบทบายของพระธรรมทูตเพิ่มมากขึ้ น, นโดยเฉพาะเมื่อมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหรือติดตามการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่เจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วัสเกตท่านได้เป็นประธานอยู่จนมาถึงยุคของท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิธ ก็มีเรื่องรายงานเข้ามาหาสิรสมาคมนี่บ่อยในส่วนตัวผมนั้นได้ทำงานในฐานะคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังฆราชตั้งแต่ 2,147 ก็ได้เข้าประชุมมหาสมาคมมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นกรรมการเอง ก็ได้เห็นท่าทีของคณะสงฆ์ที่ยอมรับความสำคัญของงานพระศาสนาในต่างประเทศตอนที่มาร่วมประชุมกันกับทั้งที่นี่และในยุโรปเนี่ยก็มีผู้เสนอว่าทำยังไงที่จะให้มหาเทนมบคม ให้ความสำคัญแก่งานนี้มากขึ้นผ่านมาปัจจุบันนี้ผมก็ถือว่าอะไรที่ท่านทั้งหลายได้เสนอไปนั้นส่วนใหญ่นั้นได้รับการอนุมัติเห็นชอบทั้งสิน้นรวมไปถึงเรื่องสำคัญก็คือเรื่องสมณศรรักดิ์ ซึ่งการที่มหาเศรษฐมคมให้โคต้าสมนศักดิ์สําหรับต่างประเทศโดยเฉพาะนั้นเหมือนหนึ่งว่างานพระศาสนาในต่างประเทศนั้นโดยเฉพาะในสายการปกครองในสายการเผยแผ่เนี่ยมันเป็นคณะใหญ่สําคัญเหมือนกับหนึ่งคณะหรือหนึ่งผ ใ น, ในประเทศไทยในประเทศไทยในฝ่ายมหานิกาัยนั้นแบ่งการปกครองคณะสงฆ์รองจากมหาเทรสมาคมก็คือเจ้าคณะใหญ่หรหือคณะหนมีอยู่สคณะคณะ เ, เจ้าคณะใหญ่ผหนกลาง เจ้าคณะใหญ่ขนเหนือเจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกเจ้าคณะใหญ่ขนใต้แต่ละคณะก็จะปกครองดูแลกากับงานของตนทีนี้พอในต่างประเทศเนี่ยก็เหมือนกับในการปกครองดูแลถ้าปกครองดูแล ใ, ให้ดี ก็มีรางวัลในเรื่องของสมณศักดิ์เวลาที่เราพิจารณาสมณศักดิ์ก็ค่อนข้างจะให้เกียรติผู้กำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างไปต่างประเทศให้เกียรติสมัชชาให้เกียรติสภ า, ภาพสงยุโรปหรือแม้กระทั่งในเอเชียก็ตาม โดยมองงานเหล่านี้เนี่ยนะครับแม้เราจะไม่ได้ประกาศเป็นคณะใหญ่ผมหมายถึงว่าทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะสมชาชัยอย่างเดียวถ้ารวมกันทั้งหมดเนี่ยทั้งอเมริกายุโรปเอเชี ย, ยมันเป็นงานใหญ่และตอนนี้ในทางปฏิบัติเรื่องสมรัศักิ์เนี่ยปฏิบัติเหมือนกับว่ามันเป็นคณะใหญ่คณะหนึ่ง ซึ่งมีพลังในการนำเสนอไปที่ส่วนกลางคือมหาเทรสมาคมจากที่ได้ฟังสรุปของฝ่ายเลขาเนี่ยผมไม่ยังไม่เห็นเรื่องที่ท่านอยากจะนำเสนอเป็นพิเศษไปยังมหาเทรสมาคม เฉพาะปีนี้นะครับเปลี่ยนท่านประธานยังไม่มีวาระพิเศษที่เป็นขอความร่วมมือการสนับสนุนนอกเหนือจากงานปกติซึ่งเมื่อท่านมาประชุมกันเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถที่จะ ร่วมกันเสนอเป็นมติผ่านาสำนักผู้กากับพระธรรมทูตสายต่างประเทศไปซึ่งท่านก็แข็งขันนะครับผมนั่งอยู่ในที่ประชุมก็ได้เห็นท่านเวลาท่านไปประชุมที่ไหนท่านก็จะทำรายงานท่านจะขุนพระพรห ม, มสิทธิ์ที่ไหยท่านก็จะทำรายงานสรุปการประชุมเนี่ยเป็นเล่มเลยครับแจกมอสอทุกรูป และผมก็คิดว่าครั้งนี้ก็คงเช่นเดียวกันถ้ามีข้อเสนออะไรท่านก็ที่จะให้มหาเทพคมได้สนับสนุนได้เห็นชอบท่านก็กำหนดเป็นข้อพิเศษในหนังสือนำของท่าน เ, เจ้าคุณพระพรหมสิท ธ, ธิพระพรหมสิทธนินนัในส่วนผมเองผมอยู่ในที่ประชุมผมก็สนับสนุน เมื่อมีการอภิปรายเมื่อมีการพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านทั้งหลายและถ้าหากว่าได้นิมนต์คณะกรรมการมหาเถรษสมาคมมารับรู้รับทราบอย่างนิมนต์ท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิรยานมาเป็นต้นนะครับและก็รู ป, ปอื่นมาเห็นพัฒนาการของงานของเรา ในต่างประเทศซึ่งในฝ่ายของธรรมยุติกนณีกายนี่เขาก็ทำประจำพระผู้ใหญ่ก็มาประชุมกับคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมากันบ่อยด้วยนะครับเพราะผมอยู่ในที่ประชุมผมก็จะเห็นท่านลากันมาบางทีก็มาใกล้ๆกับเราเนี่แล้วเราประชุมที่นี่ท่านก็ประชุมที่โน่น เพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่หนึ่งผมก็เรียนอย่างนี้ว่าอะไรที่เราเสนอบางทีมันไปตรงกับที่คณะสองฆ์อีกฝ่ายหนึ่งเขาเสนอถ้ามันสองฝ่ายมันตรงกันนี่มันง่ายมันมันไปร่วมกันมีหลายเรื่องนะครับที่บางทีเราเสนอฝ่ายเดียวเนี่ยมันไม่ผ่าน แต่พอรวมกันสองสายมาเจอกันทั้งธรรมยุทธมหานิกายเนี่ยเข้ามอสเนมันผ่านง่ายผมจะไม่พูดในรายละเอียดนะครับผมพูดไปในใเดี๋ยวจะหาเอาเรื่องข้างในมามาเรียนมันก็ต้องเป็นยุทธศาสตร์อันหนึ่งนะครับไม่ว่าเรามาอยู่ที่นี่จะแข่งขันไม่แข่งขันก็ตามแต่เวลาที่ท่านพูดถึงเครือข่ายท่านอาจจะไปมองเครือข่ายนอก กลุ่มพระไทยด้วยกันแต่ในในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยถ้ามันมันแตะมือกันบ้างมันง่ายตอนที่ผมเป็นอธิการบดีมหาจุฬาอายังไม่ได้เป็นอธิการบดีมหาจุฬาครับเป็นรองอธิการบดีทำเรื่องเสนอขอพระราชบัญญัติ มหาเจลาต้องแตะมือกับมหมามกุฎนะครับจะให้เรื่องเข้าสภาเร็วนี่ลำพังเราเองอาจจะบรารมีไม่พอเราก็ไปกราบทูลนายกสภามหมามกุฎให้ช่วยทำจนหมายทักฉบับหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเข้าสภาทีไรก็ยุบสภาทุกที กว่าจะสำเร็จเป็นพรบรมหาจุฬาในปี40เนี่ย5ปีครับนายกเปลี่ยนไป3คนก็เกรงว่าถ้าชักช้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะยุบกันอยู่เรื่อยๆประเทศไทยนี่มันเป็นอย่างนั้นช่วงสุดท้ายนี่เราตัดสินใจนัดกันกันกบผู้บริหารมหามกุฏมหาจุฬาเนี่ยไปขอให้นายกสภามหามกุฏ ราชวิไลเนี่ยทำหนังสือไปถึงนายกถึงประธานรัฐสภานายกสภาสมัยนั้นก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณนะ ส, สังวรสมเด็จพระสังฆราชในฐานะนายกสภาตรงน้ำนี่ก็คือพระสังฆราชนั่นแหละครับพอพอได้ลายเซ็นตรงนี้ไปเท่านั้นแหละครับรัดขั้นตอนเข้าสภาปุ๊บ ผ่านสภาปุ๊บยุคสภาปั๊บเห็นไหมครับผมพูดอย่างนี้ก็เพื่อที่จะให้ให้ท่านตระหนักถึงว่าพระผู้ใหญ่ในสายธรรมยุทธ์ก็สนับสนุนงานเผยแผ่อของฝ่ายโน้นอย่างจริงจังและผมก็อยากจะเห็นในฝ่ายเรานี่มากันมากๆในผู้พูดในธรรม ที่มหาเทพมคมที่ร่วมหนึ่งที่มาเกี่ยวข้องตรงนี้มาแล้วจะได้เห็นครับว่าไอ้ที่ว่ามารักษาศรัทธามันไม่ใช่มันต้องมองใหม่ว่าการที่ท่านทั้งหลายมาเป็นพระธรรมทูตอยู่ในสหรัฐเอเมริกาที่เห็นหน้ากันอยู่เนี่ยเป็นสิบสิบปีขึ้นไปเนี่ยเป็นกองทัพธรรมที่ เดินรุกหน้าอย่างไม่มีวันถอยคือกองทัพเนี่ยถ้ามันลบแบบละล้าล ะ, ล, ะลังนะครับมองพี่เลี้ยงไปด้วยต่อยไปด้วยเมื่อไรจะโยนผ้าขาวยอมแพ้เนี่ยมันไม่เต็มร้อยครับแต่ถ้าคิดว่าลบอย่างไม่มีทางถอยไม่ยอมโยนผ้าขาวเป็นตายขาดใจกลางเวทีมวยเนี่ย มันสู้ยิบครับซึ่งการทำงานของพระธรรมทูตของท่านทั้งหลายเนี่ยมันเป็นการทำงานฟูท l t i คือเต็มเวลาความเจริญความเสื่อมของวัดมันอยู่กับพวกเราที่เป็นเจ้าสำนักเป็นประธานสงฆ์ถ้าท่านขี้เกียจ ท่านเฉยวัดของท่านก็ไม่เจริญแต่ถ้าถ้าท่านมาทำงานพาร์ทไทม์วัดไม่เจริญเมื่อเวลาเราก็โบยบินหนีไปมันจะตกต่ำกระชังอย่างนี้มันก็เท่ากับว่าไม่อุทิศตนเต็มร้อยทำงานพาร์ทไทม์จ้องแต่จะโดดหนีไป สละเรือแต่พอเรามาประชุมเราไม่เห็นพวกเราทั้งหมดที่อยู่ๆกันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในสายหัวหน้าประธานสงฆ์เนี่ยมันจะไปไหนครับท้านก็จะต้องทุ่มทุ่มเทไม่ว่าท่านจะเป็นประธานสงฆ์หรือไม่เป็นก็ตามเมื่อสละแล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยความเจริญของวัดมันหมายถึงความเจริญของส่วนตัวท่าน และมันก็เจริญในพระศาสนามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างในเรื่องที่มหาเทมคมท่านเปิดไฟเขียวเรื่องสมณศักดิ์และเป็นความเจริญอื่นๆที่ได้ได้ยศนะครับคือยศนี่คือความยิ่งใหญ่ถ้าจะไปมองแต่เรื่องเกียรติอย่างเดียวเกียรติคือการยอมรับการยกย่องเกียรติยศ เมื่อท่านทำงานดีรางวัลแห่งความดีมันก็มามันก็อันที่หนึ่งอันที่สองอิสริยยศคืออานาจในการบังคับบัญชาในการยอมรับกันในองค์กรสมัชชาบ้างหรืออื่นบ an, ้างมันก็เกิดตามมาเมื่อท่านบริหารจัดการวัดของท่านได้ดีและอันที่สามบริวารยศความยิ่งใหญ่มาเนื่องจาก ญาติโยมศรัทธานับถือไปเทศที่ไหนคนก็ตามฟังหนังสือมีคนอ่านมีคนรู้จักทั่วโลกเมื่อท่านเผยแผ่พระาศาสนายอย่างนี้ทุ่มเทอย่างนี้เนี่ยยศคือความยิ่งใหญ่มันก็เป็นรางวัลแต่มันจะเกิดกับคนที่ทำงานเต็มเวลาก็หมายความว่าสละแล้วเพื่อ นานของท่านที่ท่านทําผมทํางานมหาจุฬานี่มันไม่ได้ทําตลอดนะครับวันหนึ่งผมก็ต้องกเกษียณผมก็ต้องออกแต่ผมถามว่าเจ้าวาดวัดมงคลรัตนารามนี่มันมันไม่ได้อย่างนั้นนี่นะทําไปตลอดและเมื่อทําตลอดตัวเองอยู่ที่นี่ญาติโยมก็อยู่ที่นี่เนี่ยเห็นหน้ากันตลอด มันก็ต้องช่วยกันพัฒนาและก็พัฒนาต่อไปถึงลูกหลานคนไทยคนลังกาคนพมา่าใครต่อใครที่เข้าวัดรวมถึงคนอเมริกันมาเห็นในเจเนเรชันนี้เริ่มเริ่มเข้าใจแหละในรุ่นแรกๆเราก็จะมองแต่เฉพาะคนไทยแต่เดี๋ยวนี้นี่วัดไทยมันกลายเป็นศูนย์รวมชุมชนที่หลากหลาย และมันมีเจเนอเรชันใหม่ซึ่งเป็นเด็กไทยอเมริกันหรือเด็กอเมริกันมันจะเข้ามาแล้วโดยความมันเป็นวิธีเติบโตโดยธรรมชาติและพระธรรมทูตนั้นก็ต้องอุทิศตนเพราะอยู่ตรงนี้เหมือนอยู่ในเรือลำนี้น้ำขึ้นน้ำลงเรือโครงเพลงมันอยู่ตรงนี้แล้วและเมื่ออยู่ตรงนี้มนนานานๆนี่นะครับมันจะเกิดช่องทาง ทำงานไปทำงานมานี่ท่านจะรู้เลยว่าปัญหาไม่อยู่ตรงไหนอคอขวดมันอยู่ที่ใดและจะแก้ยังไงมันรู้ด้วยกันทท้งนั้นแหละครับเราทำงานมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยไม่ต้องมาพูดกับเรื่องว่าปัญหามันเกิดอย่างไรตรงไหนมันเห็นหมดหลับตาทำอย่างได้แต่จะทำหรือไม่ทำ มันอีกเรื่องหนึ่งสมัชชาจะไปทางไหนอย่างไรเนี่ยเกือบไม่ต้องพูดมากหรอกครับเรารู้กันทางนั้นผู้อวโสท่านอยู่มานานท่านเห็นเป็นช่องหมดจะเชื่อมตรงไหนจะทำอะไรนี่เราไม่ได้ขาดความคิดไอเดีย แต่เราขาดว่าทาอย่างไรจะทำไอเดียหรือความคิดให้มันสาเร็จตามที่เราวางแผนตามที่เราอยากจะทำตั้งหนากเราไม่เคยขาดความคิดว่าจะพัฒนาวัดอย่างไรจะระดมทุนจากไหนมันเห็นหมดนะครับแต่เราจะถือว่าเป็นธุรกิไม่ใช่ถ้ามันเป็นเรื่องของ สมัชชาก็ต่างคนต่างอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นในวัดเออเราไม่ใช่เจ้าอาวาสเราไม่ใช่ประธานสงฆ์ก็ปล่อยให้เขาเก่งไปอย่างนี้มันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าท่านนึกว่าเราคิดเหมือนสายที่เบตททำไมสายที่เบตจึงประสบความสาเร็จวัชรยาน ในยุคนี้นะครับยุคก่อนนี้ก็สายผู้สนานนิกายเซนญี่ปุ่นมหายานคำตอบก็คือวัชรยานซึ่งเข้ามาในอเมริกาพร้อมๆกับเราสร้างวัดไทยเอเนี่ยวัชรยานเขาทำงานเต็มเวลาไม่มีทางถอยมาแล้วต้องอยู่ที่นี่ประเทศของเขาไม่มีแล้ว จึงต้องมาลงหลักปักฐานที่นี่ด้วยสำนึกอันนี้เองนะครับที่เขาเขาเรียกว่าปากกัดตี้ยทีบทำจนประสบความสำเร็จในการวางรากฐานศาสนาแบบวัชรยานอย่างที่เราทราบกันฉะนั้นสิ่งที่ เรามาอยู่ร่วมกันมันจึงมีสองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งเรากำลังหาวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในการพัฒนางานของเราสองทำอย่างไรถึงจะทำตามแนวทางนั้นให้สำเร็จให้ได้ในส่วนที่สองนี่มาให้กำลังใจกัน มาสร้างเครือข่ายจับมือกันมาสนับสนุนกันติดขัดอย่างไรช่วยกันอย่างที่ท่านได้ตระเวนจัดประชุมอย่างนี้ไปในวัด ต, ต่างๆคือไปให้กำลังใจสนับสนุนกันเมื่อหลายคนมาร่วมกันทำร่วมกันอยู่ดีใจมากนะครับที่ทางยุโรปก็มาทางนู้นก็มาเอเชียก็มามหาจุลาก็มา แต่มาแล้วไม่ใช่มาเสนอไอเดียเดียวมาช่วยกันทาด้วยจะให้ทำอะไรส่วนเรื่องเสนอไอเดียนี่ผมจะไม่พูดแล้วนะครับเพราะว่าได้พูดมาเยอะในเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสี่สิบปีสมัชชาที่ผมพูดปีที่แล้วแต่ร่วมมือกันทานี่ผมผมได้ยินบ้างนะในการร่วมมือกันทำนี่ผมยกตัวอย่างนะครับซึ่ง ก็เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้ครับที่รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศของผมชื่อคุณสมพลวิชลาพรได้เลยครับ Common Buddhist Text นี่คือตัวอย่างของความร่วมมือเนื่องจากว่าเราเห็นปัญหานะครับผมผมไม่ได้ตอบไม่ได้บอกว่าเราแก้ปัญหาได้แต่ว่ามันเกิดจากปัญหาครับ ปัญหาก็คือเมื่อเราเดินทางไปทั่วโลกเนี่ยไปพักในที่พักต่างๆเจอแต่คัมภีร์ของศาสนาอื่นไม่เจอคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาวางอยู่ตามที่พักนั้นๆได้มีชาวพุทธบางประเทศนะครับวันนี้ผมก็ได้ยินประเทศไทยก็มี พิมพ์หนังสือเล่มนะั้นเล่มนี้เอาไปวางผมลองเอามาอ่านดูอย่างในประเทศไทยเขาก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพุทธศาสนาไปวางไว้แต่คนไทยไม่ได้อ่านแต่มันมีอยู่ตามที่พักเวลามหาจุฬาไปจัดงานผมไปไปดูเนี่ยโอ้กลายเป็น พระพุทธศาสนามหายานที่พิมพ์คำพีพระพุทธศาสนาเอาไปวางไว้ในโรงแรมในประเทศไทยลงทุนโดยอุบาสกอุบาสิกามหายานแต่พออ่านเนื้อหาข้างในแล้วคนไทยก็จะไม่เข้าใจ มันเป็นพุทธศาสนาที่เนื้อหามันต่างจากที่เทรวาตเราสอนแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นมหายานมันก็ไม่แพร่หลายท า, ทางที่เนื้อหาก็ดีค ร, รับภาษากิษง่ายๆเคยมีเหมือนกันในประเทศไทย พิมพ์คำสอนของพระเถระเถรวาทเราแจกจ่ายเป็นภาษาอังกฤษแต่มันก็อยู่ได้ในประเทศไทยพอไปในญี่ปุ่นไปในประเทศมหายานเขาก็ไม่รับมันมีเขตแดงข้อจำกัด จนบัดนี้เราก็ยังไม่มีนะพระไตรปิฎกสักเล่มหนึ่งที่อยู่ได้ทั้งทุกประเทศในโลกนี้ทั้งในดินแดนเถราวาดมหายานวัชรยานยังไม่มีอันนี้ก็คือปัญหาในการเผยแผ่พระศ า, ศาสนาไปทั่วโลกผมก็ปาลบเรื่องนี้ในที่ประชุม าพุทธนาชาติวันวิสาขาบูชาโลกเมือ 6, 7, ม่อหกเจ็ดเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วครับทำไมมันถึงได้ไม่มีพระไตรปิฎกกลางที่จะเข้าไปได้ทุกประเทศคำตอบก็คือเพราะเน้นแต่นิกกยใดนิกกยหนึ่งถ้ามีแต่เถรวาทท่านจะเข้าไปได้ในห้าประเทศ ไทยพมา่าลังกาอะไรอย่างนี้ลาวเวี่นลาวกัมพูชาแต่พอจะไปเข้าในเกาหลีญี่ปุ่นจีนมันต้องเป็นมหายาญ่แล้วตกลงไทยจะมาเป็นเจ้าภาพทำอ่ะต่างคนต่างธทรรมเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเถรวาสก็ทําเถรวาสมหายานก็ทํามหายาญ่ต่างคนต่างแ ก, ก่ต่างคนต่างพิมพ์มันไม่มีฉบับกลางท่าน นี่คือปัญหาเาเพอเรารู้ปัญหาแล้วเรามาแก้กันสิเรามาช่วยกันทำสิแล้วใครเขาจะมาทำให้เราเราเป็นเถราวาทรู้พระไตรปิฎกภาษาบาลีมีปัญญาหรือจะไปทำให้มหญญายานเขาอ่านเราเขาเก่งกว่าเรามีปัญญาหรือที่จะไปทำวัชรยานให้ฝ่ายทิเบตเขาอ่าน ไม่มีหรอกครับเมื่อไม่มีแล้วทำไมเราไม่เชิญผู้เชี่ยวชาญมหายานวัชรยานเถรวาดมารวมกันทําให้มันอยู่ในเล่มเดียวกันทั้งเถรวาดมหายานวัชรยานเอาพระไตรปิฎกนะไม่เอาคําบรรยายของอาจารย์อัตโนมัติ เอาเอาเนื้อหาในพระไตรปิฎกมาแล้วที่ประชาชนอ่านแปลให้เป็นภาษา ง, ง่ายๆให้คนอ่านอย่างทั่วถึงที่ประชุมน า, นานาชาติเห็นชอบแล้วเกิดคำถามว่าเราจะเอาหัวข้ออะไรมาอยู่ในเร่มนี้ก็บังเอิญว่าในปีหนึ่งเก้าหกเจ็ด สภาสงโลกเนี่ยท่านเคยประชุมกันมีมติว่าทั้งเทราวาดมหายานวัชรยานเนี่ยมันมีคำสอนที่ที่รวมกันได้เหมือนกันได้เขาเรียกว่า Basic Point, ifying, เบสิ c พอยต์ u n i f y ing the three นิกายเหมันมีคำสอนหลักๆที่ทุกนนกายเห็นพ้องต้องกัน ท่านกำหนดไว้เก้าข้อสภาสงโลกนะครับมีท่านวันโปลา่าลาหุระเป็นผู้ยงร่างแล้วสภาสงโลกเห็นชอบทำไว้เมื่อสี่สิบห้าสิบปีมาแล้วไม่เคยมีใครเอามาศึกษาจริงๆว่ามันจริงหรือไม่จริงผมก็ไปชมนักปราดราชมดิศทั้งหลายมาถามว่าไอ้เก้าข้อมันจริงไหมและมันอยู่ในพระไตรปิฎกหน้าไหน เช่นอะไรครับที่ว่าเหมือนกันก็คือเรามีพระพุทธพระพุทธสามสามอย่างสัมมาสัมพุทธะปัจเจกพุทธะอนุพุทธะเราเคารพพระพุทธทั้งสามในนิกายทั้งสามมีหมดแต่พระพุทธนี่อาจจะขยายเป็นว่าสัมมาสัมพุทธะสาคัญที่สุดและต้องเป็นสัมมาสัมพุทธะในบางนิกายคือเป็นโพธิสัตว์ก็ว่ากันไปและพระธรรมในเรื่องอะไรล่ะ เรื่องอริยสัจสี 4, เรื่องอะไรก็ว่ากันมาสรุปแล้วเราก็เอาเรื่องพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์มาเป็นหัวข้อใหญ่แล้วแบ่งออกเป็นบทบทสิบสองบทพระพุทธสองบทพระธรรมแปดบทพระสงฆ์สองบทแล้วเอาคําสอนในสามนิกายเนี่ยจากพระไตรปิฎกบาลีพระไตรปิฎกภาษาจีน พระไตรปิฎกภาษาทิเบตต้นฉบับเลยนะครับออริจินอลเลยแปลใหม่สู่ภาคภาษาอังกฤษโดยเราเลือกทอปิกก่อนแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยมีบทนำโดยมีเชิงอ่านโดยมีคำอธิบายทุกอย่างเพื่อช่วยคนอ่านเราไม่ใช่มหายานแต่เราอ่านรู้เรื่องกันแล้วกันถ้าเรามีความรู้ภาษาอังกฤษธรรมดาเนี่ยเพราะเขาจะมีบทนาให้จะมี และเรื่องแต่ละบทย่อยเนี่ยก็จะมีคำโปรยว่าเรื่องนี้เหมือนเหมือนอะไรยกตัวอย่างเช่นธรรมกายธรรมกายในเทราวาสอยู่ในบทเดียวกันเนี่ยเทราวาสว่าอย่างนี้ภาษาบาลีแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้ในภาษาจีนคำพีมหายานว่าอย่างนี้ในที่เบตดวัชรยานว่าอย่างนี้ในเรื่องเดียวกันเนี่ย มีแต่มาพูดกันว่าเป็นนุยยน่ยกายโน่นนี่กายนี่พระไตรปิฎกว่าอย่างไรเอามาใส่ไว้ในนี่เรื่องกรรมฐานกรรมฐานแบบวิปัสสนาของเรากรรมฐานแบบเซนกรรมฐานแบบวัชรยานอยู่ในเล่มเดียวกันโดยเอามาจากพระไตรปิฎกของเขามันจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าอย่างไหนเป็นเถรวาตอย่างไหนเป็นมหายานอย่างไหนเป็นวัชรยาน เสร็จแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญในนิกายนั้นๆเนี่ยหนึ่งเมื่อเราเลือกท็อปิกเสร็จให้ผู้เชี่ยวชาญในนิกายนั้นๆไปเลือกเอ็กเซอร์ฟก็คือบทในพระไตรปิฎกของเขามาแล้วก็มาแปลจากบาลีเป็นภาษาอังกฤษจีนเป็นภาษาอังกฤษโดยตรงเลยที่เบรเป็นภาษาอังกฤษรวมเป็นเล่มนี้เถียงกันส่งประชุมกันสิบสี่ครั้งทัน ทำประชาพิจาร์สามครั้งอยู่ในเว็บไซต์เกือบหนึ่งปีให้คนทั่วโลกเนี่ยส่งบทวิจาร์มาแก้ไขเสร็จก็มาพิมพ์อันนี้พิมพ์แจกในวิสาขะปีนี้ครับหนึ่งหมื่นเล่มเรียกว่า Common b บุ d h i เท Text เราแปลว่าพระไตรปิฎกฉบับสากล u ก d a n c e and insight from the Buddha ก็แปลว่าพุทธพุทโธวาาจากพุทธปัญญาเพื่อให้คนอ่านทั่วโลกยังไม่ทันพิมพ์เสร็จเลยครับยังไม่ทันแจกอะไรมีคนแปลเป็นภาษาจีนแล้วจะไปแจกคู่กันภาษาจีนสังกฤตในประเทศจีน บางประเทศแปลเป็นภาษาอาหารับแล้วครับประเทศไทยตั้งกรรมาการแปลแล้วฝ่ายจีนนั้นรอว่าเมื่อไรจะเสร็จสักทีหนึ่งเขาจะแปลภาษาจีนผมจึงมีความหวังนะครับโดยชาวพุทธทั่วโลกนี่พระสังมหาไนยกาศีลังกาบอกผมรอมาหลายปีแล้วพอผมไปถาไวายคือท่านพูดอย่างนี้กับมหาไนยกามหบรรวัตตะของศีลังกาเป็นสยามในไก ท่านบอกว่าคนมักจะมองว่านิกายทั้งสามแตกต่างกันแล้วก็แยกกันแต่การที่มาทำอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเรามีคอมมอนเราเป็นชาวพุทธ้วยกันมาจากพระพุทธเจ้าเดียกันมีอะไรที่คล้ายคลึงกันและมันจะเกิดเอกภาพไม่แก่งแย่งกันมาช่วยกันเผยแผ่พระาศาสนา ท่านพูดอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ว่าตอนนี้เนี่ยพิมพ์หนึ่งหมื่นเล่มเนี่ยทดลองแจกยังไม่เพียงพอถ้าท่านอยากได้ก็ติดต่อไปที่ประเทศไทยผมนำมาถวายกรรมการบริหารเท่า น, นั้นครับแบกขึ้นน้ำหนักมันเยอะได้มาไม่กี่สิบเล่มมาถวายเอาแถวนี้ก่อนแถวที่อยู่ข้างบนเนี่ยที่นั่งข้างล่างคงไม่ได้นะครับ ใส่กลองอย่างดีครับโดยนี่ครับแบบนี้โดยในเรื่องของต่างประเทศนะครับก่อนผมเดินทางมากระทรวงต่างประเทศของประเทศไทยขอพิมพ์ครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยขอพิมพ์ผมยังไม่รู้จะรวมบินเท่าไหร่ แต่ก็จะให้เพราะว่าเขาพิมพ์แล้วเขาจะแจกจ่ายไปทั่วโลกโดยผ่านระบบของกระทรวงต่างประเทศอาจจะวัดไทยในต่างประเทศด้วยก็ได้แต่ว่าใช้เวลาพอสมควรกว่าจะพิมพ์เสร็จเนี่ยประธานบรรณาธิการคือผมนะครับแต่ว่าบรรณาธิการเป็นชาวอังกฤษชื่อปีเตอร์ฮาวีแล้วก็จะมีคณะผู้เชี่ยวชาญแต่ละนิกายอยู่ในนี้ ช่วยกันทำที่ผมเรียนอย่างนี้ก็เพราะเป็นความหวังว่าถ้าเราร่วมมือกันนะครับอะไรที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ผมเคยถามว่าทำไมไม่ทำกันมาแต่ก่อนนี้เพราะเขาไม่ไว้วางใจกันครับถ้าเกิดว่ามาร่วมกันกับมหามหประเทศไทย ประเทศไทยเอาหน้าไปประเทศเดียวเขาก็ไม่อยากจะให้ประเทศไทยไดนะ้หน้าถ้าไปให้ประเทศนั้นประเทศนี้ไปช่วยเขาเนี่ยนะครับไปช่วยไต้หวันจีนก็มันไสสรุปแล้วเนี่ยมันไม่ไว้ใจกันเพราะฉะนั้นการที่เราใช้เวลาเจ็ดปีนีส่สางความแตกต่างถือเขาถือเราทำให้ยอมรับว่า เราแค่เป็นผู้ประสานประเทศไทยไม่ได้เอาหน้าประเทศเดียวมหาจุฬาก็ไม่ได้เอาเครดิตอะไรทั้งสิ้นแต่ทำทุกอย่างเพื่อพระาศาสนาเราไม่มีอัตราตัวตนทำไปเพื่อพระาศาสนาโดยนโยบายอย่างนี้ไม่ไม่ฝักไฝไม่ถืออะไรมากมายเท่าไหร่นี่ครับมันเกิดความไว้วางใจ เกิดความไว้วางใจแล้วมีผลประโยชน์ในทางพาณิชย์เราไม่ได้เอาหนังสือมาพิมพ์ขายเอาเงินเข้าพบเข้าหอเราเองเรามุ่งการกุศลซึ่งถ้าเขาไม่ไว้ใจเนี่ยนะครับเขาไม่ร่วมเรื่องอะไรจะมาสร้างประโยชน์ให้ประเทศนั้นหรือมหาวิลาลยนั้นมหาวิเลยนี้ผมคิดว่าเวลาที่ผ่านมากว่าจะไว้วางใจกันทำอะไรกันเนี่ยร่วมกันเนี่ย จกนกระทั่งมาถึงจุดนี้เนี่ยมันเป็นแอสเซทมันเป็นทุนมันเป็นทุนทางสังคมที่วัดเป็นเงินไม่ได้และเวลาที่ท่านมาทำงานในประเทศนี้ท่านต้องนับความไว้วางใจความศรัทธาของญาติโยมเป็นทุนที่ประเมินไม่ได้และก็ต้องรักษาเอาไว้และท่านทั้งหลายก็คงประสบเห็นเองว่า ถ้าเขาไว้วางใจถ้ารัฐบาลอเมริกันไว้วางใจศรัทธาเราคนที่นี่คนไทยที่นี่ศรัทธาเราไว้วางใจเราคำว่าเราคือวัดแต่ละวัดท่านจะเอาอะไระเรื่องทุนเรื่องงบประมาณเนี่ยไม่ต้องมาพูดกันในประเทศนี้ท่านรู้ไหมว่า ในโลกนี้ประเทศไหนคนชอบบริจาคมากที่สุดในโลกไปเปิดดู world giving index ดัดชนีว่าด้วยการบริจาคของโลกผมเข้าใจว่าแกนหลับโพหรือหน่วยโพที่ใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่งเนี่ยเขาออกมาทุกปีครับเขาทำสอบถามว่าในโลกนี้เนี่ย ร้อยสี่สิบประเทศทั่วโลกประเทศไหนใจบุญที่สุดในโลกคนชอบทาบุญคนชอบบริจาคท่านทราบไหมว่าในปีสองพันสิบหกคือปีที่แล้วซึ่งเขาออกมาสดๆละร้อนเนี่ยประเทศที่คนทาบุญมากที่สุดประเทศที่คนทาบุญ มากที่สุดท็อป10เนี่ยคือประเทศไหนและประเทศที่ทำบุญคนบริจาคมีแชริตี้มีกิฟ n g มากเป็นอันดับสองของโลกคือประเทศสหรัฐอเมริกาเราจงไม่แปลกที่คนร่ำรวยอย่างบิลเกตส์ลอกกี้เฟลเลอร์บริจาคโบนิที่อะไรต่างๆมากมายเป็นอันดับสองของโลกครับ อันดับหนึ่งของโลกคนที่ประเทศที่คนบริจาคมากที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกหลายปีมาแล้วไม่ใช่ประเทศที่ร่ารวยแต่เป็นประเทศพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนของประเทศนั้นชอบทำบุญอันดับหนึ่งของโลกนะครับใน world giving index ติดต่อกันมาหลายปีคือประเทศ เมียนมาครับประเทศพม่าครับในประเทศพม่าเนี่ยท่านไปก็จะเห็นเนะียตู้บริจาคเนี่ยเงินยัดไม่เข้าเลยครับเต็ม น, นแล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะคนชอบทำบุญในอเมริกาคนแต่ว่าเป็นชาวคริสต์ส่วนใหญ่นะที่ทำบุญคนไทยไม่อยู่ที่ก็พอได้รับ เเียโลกติดต่อมั้งใจบุญกันเยอะบริจาคทำบุญไม่งั้นภาษีมันไล่เอาเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับประเทศไทยเราอยู่อันดับไหนปี2015ครับใน World Giving Index ดัชนีการบริจาคของคนไทยในระดับโลกเนี่ยเราอยู่อันดับที่19ครับ แต่พอมาเปิดปี2016เราอยู่อันดับ38ครับทำไมมันตกไปเร็วอย่างนี้ก็ไม่รู้ในประเทศไทยนะ38สีลังกากลับขึ้นมาจากอันดับ8เป็นอันดับ5ครับชอบทำบุญอาเป็นว่าเราคงจะต้องแลพระเวสสันดรกันเยอะๆนะครับ ถแหลดีๆอาจจะทำบุญเยอะกว่านี้หนึ่งหมายถึงในประเทศไทยที่เรียนถวายอย่างนี้ก็เพื่อที่จะบอกว่าเราเป็นองค์กรนอเนอร์ฟิตออแกเนชันไม่แสวงหาผลกำไรประโยชน์ของวัดเองอะไรเองไม่หมดเราทำเพื่อให้ถ้าคนมีความเชื่ออย่างนี้ เขาจะช่วยเราครับประสบการณ์ที่ผมทำ CBT เนี่ยเคยถามว่าทำไมทำไม่ได้มาแต่ก่อนเขาไม่เชื่อครับเขาเกรงว่าพอทำแล้วเราจะไปหาผลประโยชน์จากงานที่เขาเหน็ดเหนื่อยแต่ถ้าเขาคิดว่าเราเสียสละได้มาให้ไปเนี่ยทำประโยชน์การกุศลไม่ใช่เพื่อความรุ่งเรืองส่วนตน อย่างวัดใหญ่โตนี่ให้บริการคนที่ไหนมาก็มาวันอาทิตย์ใช่ไหมมาตลาดกันมาที่นี่กันมากมายมหาศาลเป็นชีริตี้เราไปเห็นเทคนิควิธีการ ต, า ต, ต่างๆเราก็เรียนรู้แล้วเอาไปทำก๊ปปี้กันได้ครับก๊ปปี้ไอเดียของคนไปทำนี่ไม่ผิด น, นะครับในในทางศาสนา แต่ท่านต้องอิ p r ร v e ต้องทำให้มันดีขึ้นหลายเรื่องเราก็ปี้มาจากาศาสนาพราหมณ์พระพรหมเนี่ยแต่พระพรหมของเราเนี่ไม่ใช่พระพรหมสร้างโลกพรหมวิหารธระทำผู้ประเสริฐแล้วก็ก็ปี้กันไปก็ปี้กันม า, าศาสนาไม่มีริกสิ์นะครับไม่ได้จดสิทธิบัตร เมื่อเราเห็นว่าที่ไหนดีวัดไหนดีเอามาทำนายคนนี้ครับสตีฟจ็อบส์เป็นนักก๊อปปี้ครับที่เพระททำ iPad iPhone เนี่ยบิลเกตส์ก็เป็นนักก๊อปปี้ครับมหาเศรษฐีของโลกที่ทำา Microsoft ครั้งหนึ่ง สตีฟจ็อบส์จ้างบิลเกตมาทําโปรแกรม Word ์ดเนี่ยนะโปรเซสเซอร์เนี่ยสตีฟจ็อบส์รวยเป็นพันล้านบริ ษ, ษัทเขานําหน้ามาก่อนบิลเกตเพิ่งมีบริษัทมีทุนเป็นแค่ร้อยล้านร้อยล้านกับสองสมพันล้านนี่มันต่างกันก็ไปจ้างบิลเกต์มาทำโปรแกรมให้ Apple, m a c i n t o ท h ทำสัญญากันว่าคุณห้ามไปทำให้ i อบนะห้ามไปห้ามไปทำให้อย่างอื่นนะในเวลาหนึ่งปีหรือสองปีปรากฏว่าบิลเกตผิดสัญญายังไม่ครบปีเลยก็ไปทำขายที่อื่นแล้วก็เรียกมาด่ากันสิครับสตีฟจ็อบส์ดา่าบิลเกตว่าคุณ ขโมยผมไปได้ยังไงคุณขโมยผมมาได้ยังไงเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยที่โปรแกรมต่างๆผมออกความคิดออกแบบแล้วคุณก็มาขโมยของผมมาไปทําขายทําอย่างนี้มันไม่ถูกบิลเกตตอบว่ายัางไงครับเป็นคําตอบที่คลาสสิกบิลเกตตอบว่าสตีฟจ็อบ คุณก็ขโมยเหมือนกันไอ้สิ่งที่คุณหวงนักหนาเนี่ยคุณไปขโมยมาจากซีรอกส์าคบริษัทซีรอกไอ้เครื่องซีรอกเนี่ยมันพัฒนาโปรแกรมนี้ไว้ก่อนผมบิลเกตเนี่ยตั้งใจจะไปขโมยไอ้ซีรอกแต่บังเอิญพอเข้าไปแล้วคุณขโมยมันมาก่อน ผมก็เลยเอามาเอาต่อที่คุณในที่สุดคนพวกนี้ซึ่งเป็นนักนกวัตกรนักเทววัทกรรมชั้นยอดของโลกเนี่ยอ้างพับโลกบิคาโซจิตกรเอกของโลกนักวาดภาพของโลกบิคาโซพูดไว่ายังไงครับศิลปิน ก๊อปปี้จิตกรเนี่ยมันลอกกันไปลอกกันมานะครับอัศจ์ก๊อปปี้ but the great artist steal จิตกรลอกกันไปลอกกันมาแต่จิตกรที่ยิ่งใหญ่ขโมย <c oughs> ผมหมายถึงความคิด มันเป็นของกลางของโลกผมไม่ติดใจเลยครับที่ผมพูดที่ผมเทศใครจะเอาไปเทศต่อไปอะไรต่อบางทีไม่ใส่ชื่อผมก็ไม่ว่ากันบทแหลที่ท่านแต่งๆเนี่ยบางทีก็ออกมาจากใครก็ไม่รู้แล้วเราก็เอามาว่ากันต่อแล้วคนอื่นก็เอาของเราต่ออีกเลยอันนี้ทานเรื่องเราเลยนะี่ยจริงหรือไม่จริงอ่ะ แต่ท่านอย่าไปหยุดอยู่แค่เรื่องเทศเรื่องอบรมเรื่องสั่งสอนไปเรื่องการบริหารเรื่องการจัดการเรื่องความคิดเรื่องไอเดียในการทำงานร่วมกันอะไรที่ประสบความสาเร็จทำได้ดีในอเมริกาเอาไปทำที่ยุโรปที่เอเชียอะไรที่ทำดีในประเทศไทยในยุโรปเอามาทำที่อเมริกาอะไรที่ดีในนิกายเรานิกายเขาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน ซึ่งเราก็ต้องขอบคุณความมีน้ำใจของสมัชชานะครับที่จัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภูมิภาคต่างๆในโลกรวมถึงพวกเราซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกันและที่สำคัญก็คือขอบคุณเจ้าของสถานที่ครับที่ให้มีโอกาสเช่นนี้ดีๆเช่นนี้มาแลกเปลี่ยนกันผมถ้ามีโอกาสผมก็จะมานั่งฟังมาเรียนรู้อย่างนี้ทุกปี แล้วก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกันทั้งในฐานะผู้บริหารมหาจุฬาและในมหาเทรสมาคมแล้วก็อยากจะเห็นความเจริญเติบโตพัฒนาการของสมชาสงไทยในสาร บ, บริการและก็คณะสงฆ์ทั่วโลกเรามีเรื่องดีๆวันนี้เพราะว่าเราสละเวลามาประชุมร่วมกันเมื่อให้โอกาสมาร่วมผมก็ขอมีส่วนร่วม ในช่วงท้ายนี้และถือว่าเป็นข้อคิดความเห็นก่อนปิดประชุมฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอในนามของพวกเราทุกรูปก็ขออนุโมทนาขอบคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลรัตนวิเทศเจ้าวาดวัดมงคลรัตนารามที่เทมป้าที่ได้เตื้อเฟื้อให้มีการประชุมเช่นนี้ณสถานที่นี้อันงด ง, งาม ในานามของออพวกเราทุกรูปก็ขออนุโมทนาต่อแขกผู้มาเยือนจากทุกภูมิภาคของโลกและที่สำคัญคณะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่อุปถรัรมภ์ในรายละเอียดต่างๆในการจัดประชุมครั้งนี้ก็ขอพวกเราทุกรูปได้พร้อมใจกันตั้งกระยาณาจิตอธิษฐานอ้างคุณภาษีรัตนตรัยและบุญกุศลที่เราได้บาเพ็ญในการประกาศพระศาสนา จงมารวมกันเป็นตะบะเดชาพลาวะปั จ, จัยอํานวยอวยพรให้สมัสชาสงไทยในสหรัฐอเมริกามีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพ่บูดยิ่งขึ้นไปผู้ประทมทั้งหลายทั้งปวงเจริญยิ่งยิ่งด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถ น, นานั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จ สมมโนรถมุ่งมาตรปราถนาทุกประการตลอดกาลและนานเพลินขอปิดประชุมครับ